พลนพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านก่อนที่จะเข้าประเด็นก็อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเพราะคิดว่าให้แง่คิดที่ดีนะกับพวกเรามีชายสองคนเนี่ยก็บังเอิญมารู้จักกันในระหว่างการเดินทางการเดินทางเมื่อสัก 50-60 ปีก่อนเนี่ยระยะทางแค่ 2-3 ง0ร้อยกิโลเมตร แต่ก็ใช้เวลาเดินทางกันสองสาวันต้องค้างคืนตามรายทางสองคนนี้เขาไม่รู้จักกันแต่ก็มาเจอกันในระหว่างการเดินทางอย่างที่ว่าคนหนึ่งก็เป็นเศรษฐีนะมียจะกินอีกคนหนึ่งก็เป็นขโมยลักเล็กขโมยน้อยนักย่องเบาขโมยเนี่ยเขาก็สังเกต แล้วก็มั่นใจว่าคนที่เขาพบเนี่ยคือผู้ชายอีกคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นเศรษฐีเพราะนั้นเขาก็คิดหาทางที่จ ะ, อะเอาสิ่งมีค่าจากเศรษฐีคนนี้เขาก็ตีสนิทด้วยแล้วก็ด้วยความคุ้นเคยเมื่อถึงจุดที่ค้างแรม คืนแรกเนี่ยทั้งสองคนก็ได้นอนอยู่ในห้องเดียวกันในโรงแรมตอนเช้าพวกขโมยเนี่ยก็บอกกับเศรษฐีว่าเอาคุณลงไปกินข้าวก่อนนะผมมีธุระเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะตามไปพอเศรษฐีเนี่ยเดินออกจากห้องขโมยก็ออกมาจากห้องน้ำทันที แล้วก็มาค้นกระเป๋าค้นย่ามของเศรษฐีแต่ไม่พบเงินไม่พบสิ่งมีค่าก็าคิดว่าเศรษฐีเนี่ยคงจะเอาสิ่งมีค่าเหล่านั้นติดตัวไปด้วยตอนออกไปข้างนอกไปกินข้าวคืนที่สองทั้งสองคนก็พักในห้องเดียวกันเช่นเคยพอ ร, รุ่งขึ้น ว่าขโมยก็ใช้อุบายเดิมบอกเศรษฐีว่าคุณไปกินข้าวก่อนนะเดี๋ยวผมตามไปพอเศรษฐีออกไปแกก็วัาขโมยก็ออกมาจากห้องน้ำในทีนี้ไม่ได้ค้นยามจากค้นใต้เตียงใต้หมอนของเศรษฐีก็ไม่พบแกก็สังเกตแล้วนะว่าเศรษฐีเนี่ย ไม่ได้เอาเงินติดตัวไปด้วยแล้วเงินแล้วของมีค่าเศรษฐีเอาไว้ไหนใต้เตียงหรือเปล่าก็ไม่เจอพอคืนวันที่สามนะก็นอนในห้องพักเดียวกันเช่นเคยวันรุ่งขึ้นก็ทำเหมือนเดิมแต่จนล้วจนรอดก็ไม่พบเงินไม่พบสิ่งมีค่าตอนสายๆเนี่ยทั้งสองคนก็ถึงจุดหมาย ล้วก็ต้องแยกทางจับ ก, กันโอ้ขโมยเนี่ยจะมีความเรียกว่าอึดตัดนะแล้วก็ด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าเศรษฐีเนี่ยเอาเงินและของมีค่าไปซ่อนไว้ที่ไหนอยากจะรู้จริงๆนะก็เลยนะเปิดเผยตัวเองกับเศรษฐีว่าเนี่ยตัวเองเป็นขโมยนะแล้วก็ อยากจะรู้เป็น อ, อยากจะรู้จริงๆนะว่าเศรษฐีเอาเงินไว้ที่ไหนนะขอเป็นวิทยาทานเถอะนะพุตสายอมเปิดเผยตัวขนาดนี้แล้วนะบอกเถอะนะเศรษฐีก็เลยเปิดเผยว่าเงินแล้วขอมีข้างตัวเองเนี่ยไม่ได้ซ่อนไปที่ไหนหรอกอซ่อนไว้ใต้หมอนของ หัวขโมยผัวขโมยก็ร้องอ๋อเลยโอนะนึกโมโหตัวเองเศรษฐีเนี่ยนะแกเป็นคนทันคนนะแกรู้ว่าผู้ชายคนนี้คงจะมีเจตนาไม่ดีนะแกระวังตัวอยู่ละแล้ว ต, ตอนที่หัวขโมยเข้าห้องน้ำอะเศรษฐีก็ไม่ได้ออกไป กินข้าวทันทีนะแกก็เดินกลับเข้าไปในห้องแล้วก็เอาเงินและมีของมีค่าแก่ไปซุกไว้ใต้หมอนของหัวขโมยนะแกทำอย่างเงี้ยทุกเช้าเลยเซตจีเนี่ยนะนอกจากจะรู้ทันคนแล้วเนี่ยเขายังรู้จักธรรมชาติของหัวขโมยที่จริงมันไม่ใช่ธรรมชาติของหัวขโมยอย่างเดียวเป็นธรรมชาติของคนเรา คนเราเนี่ยนะมักจะมองข้ามสิ่งใกล้ตัวที่สุดนะยิ่งใกล้ตัวเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งมองข้ามแกก็รู้เลยนะว่าหัวขโมยเนี่ยคงจะค้นยามของแกนะคน้นใต้เตียงนะใตนะ้ที่นอนหรือแม้กระทั่งใต้หมอนแต่สิ่งที่หรือจุดที่หัวขโมยจะมองข้าม ก็คือใต้หมอนตัวเองเพราะมันใกล้ตัวมากนะ yeah. มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติของหัวขโมยนะเป็นธรรมชาติของคนทุกคนเรามักจะมองข้ามสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวสิ่งที่เรามีเนี่ยนะเราจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าเท่าไหร่เรามักจะเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรายังไม่มี yeah. เด็กนี่นะมีข้าวของของเล่นเยอะแยะนะบางทีเป็นร้อยชิ้น ตั้งแต่ตัวต่อเลโก้นะไปจนถึงเครื่องเล่นวิดีโอเกมอาจจะมีเครื่องดนตรีอาจจะมีกล้องส่องทางไกลกล้องถ่ายรูปแต่เด็กก็จะสนใจสิ่งที่ตัวยังไม่มีอาจจะเป็น iPad นะหรือว่าของมีค่าอย่างอื่นของเล่นอย่างอื่นมีเป็นร้อยชิ้น นะแต่ก็จะสนใจสิ่งที่ยังไม่มีซึ่งเพื่อนอาจจะมีกันหรือก็มีขายในร้านในห้างแล้วเดี๋ยวก็จะไม่มีความสุขนะเพราะสนใจแต่ไอ้สิ่งที่ยังไม่มีไอ้สิ่งที่มีสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยนะก็จะไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยเห็นคุณค่าผูนะ้ใหญ่ก็เหมือนกันนะมีสมบัติมากมายแต่เราไม่ค่อยมีความสุข เราไม่ค่อยเห็นคุณค่างสิ่งนั้นเพาราะใจเราจดจ่อยู่กับสิ่งที่เราไม่มีอาจจะเป็นนาฬิการาคาเดือนแสนยี่ห้อโรเล็กนะหรือว่าแพงกว่า น, นั้นนะอาจจะเป็นตําแหน่งซีโอผู้จัดการแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้ของที่เรามีอยู่กับตัวหรืออยู่ใกล้ตัวเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ใกล้ที่สุดนะสิ่งที่ใกล้เราที่สุดเนี่ยมันอยู่ลึกลงไป คืออะไรนะจิตใจจิตใจคือสิ่งที่เรามองข้ามมากที่สุดนะจงกระทั่งเนี่ยมันเคยมีนิทานนะข้อเป็นนิทานของอินเดนแรงตอนที่พระเจ้าเนี่ยสร้างโลกนะพระเจ้าก็สร้างสัตว์นะสร้างโลกเสร็จสร้างสัตว์อาณาชนิดแล้วก็สร้าง มนุษย์ขึ้นมาก่อนที่จะเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะประทานปัญญาที่ทําให้มีความรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางสร้างเสร็จแล้วพระองค์ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเอมันไม่เหมาะกับมนุษย์นะจะไปซ่อนที่ไหนดี จอปัญญานี่ไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ให้สภาสัตว์เนี่ยเข้าไปปรึกษากันสัตว์นานาชนิดเนี่ยก็มาปรึกษากันมีทั้งแต่สัตว์เล็กสัตว์น้อยนะจนทั้งสัตว์ใหญ่เช่นปราวานเช่นหมีบอกว่าเนี่ยได้โจทย์มาจะเอาปัญญาเนี่ยนะไปซ่อนไว้ที่ไหนหมีนะ ก็บอกว่ามีขาวนะรวมทั้งมีขาวบอกเนี่ยจะไปซ่อนไว้ที่โคโรกเหนือนะไว้ในไว้ในภูเขาหิมะพระเจ้าก็บอกว่าไม่ได้หรอกสักวันหนึ่งมนุษย์ก็จะค้นพบจนได้ไม่ว่ามันไกลแค่ไหนประวรรบอกว่า ขออาสาเอาไปซ่อนไว้ที่สะดือเทะเลนะที่อยู่ลึกที่สุดนะเราของสามนนะสดือเทะเลเนี่ยมันลึกกว่าความสูงของภูเขาเอเวอเรสต์นะภูเขาเอเวอเรสต์เนี่ยประมาณ8ดกิโลเมตรนะสะดือเทะเลมันลึกอาจจะถึงสิหรือ20กิโลเมตรพระเจ้าตรองสักนิดสักพาร์บอกไม่มีทางมนุษย์ในสุขคงคนพบก็บขนาดนะมี หนะิมะมีขาวนะซึ่งแข็งแรงแล้วก็ประวานเนี่ยนะซึ่งมีพลานุภาพมากเนี่ยยังตอบโจทย์นี้ไม่ได้แล้วใครจะตอบโจทย์นี้ได้ทักพักก็มีหนูตัวหนึ่งยกมือขึ้นมานะสมัยนะหนูยกมือเพราะว่าผมรู้คำตอบนะสภาสัต์ก็หัวเราะ ก, กันใหญ่นะ เพราะว่าขนาดมีขาวแล้วก็เปาวานี่ยังจนปัญญาเลยเพราจะถามว่าแล้วจะไปซ่อนไว้ที่ไหนนะถามหนูหนูบอกว่าก็ไปซ่อนไว้ที่ใจมนุษย์ไงนะฮตรงนั้นแหละนะมนุษย์จะไม่มีทางเจอนะมนุษย์เนี่ยนะอาจจะสามารถจะล่วงรู้ อย่างที่เราทราบทุกวันเนี่ยล่วงรู้ไปถึงจนถึงจักราวาลสุดคอดจักราวาลไม่ใช่แค่โคลงเหนือหรือว่าสะดือทะเลนะเดี๋ยวนี้เราดูกระทั่งว่ามีกาแล็กซีเนี่ยในเอกภพ บ, บางคนก็ไม่เชื่อเป็นเอกภพนะบางคนเชื่อว่าเป็นพระหุภพเอกาคือหนึ่งพระหุคือมาก แต่เขาว่ายูนิเวอร์สตอนนี้เข า, ามีคนเสนอแล้วมันไม่ใช่ยูนิเวอร์สมันคือมัลติเวอร์สเอาเป็นว่ายูนิเวอร์สเนี่ยนะจักรวาลเอกภพเนี่ยนะมันมีกาแล็กซี่ถึงพันล้านกาแล็กซี่รู้ขนาดนั้นนะแล้วกาแล็กซี่หนึ่งก็มีดาวเนี่ยเฉพาะดาวเล์นเนี่ยนับร้อยล้านดวงโอ้รู้ไปไกลมากแต่ว่ามนุษย์กลับไม่รู้จิตใจขอยงตัวเองเราสามารถจะคาดการได้ว่าจะมีซูบิป ร, ราคา ปีหน้าเมื่อไหร่ที่ไหนและเชื่อว่าสามารถจะรู้ไปกระทั่งว่าทานายว่าจะมีสุริยปราคา100ปีข้างหน้านเนี่ยเมื่อไหรที่ไหนที่จะเห็นสุริยปราคาเต็มดวงนะเราพยาคอนได้แล้วจนทุ ป, ปราคาก็เช่นเดียวกันนะแม่นยงตรงมากแต่เชื่อไหมเราไม่รู้เลยว่าในอีกห้านาทีข้างหน้านเนี่ยเราจะคิดอะไรนะคุณลองคิดดูครัว่า ในห้าทีนี้นะต่อไปเนี่ยคุณจะไม่คิดหรือว่าคุณจะคิดแต่เรื่องงานการหรือคุณจะคิดนะถึงลูกของคุณในภายในห้าทีเนี่ยแล้วคุณก็จะพบว่าไม่ถึงห้านาที่ใจคุณไปคิดเรื่องอื่นแล้วคุณตั้งใจ ว, ว่าจะไม่คิดภายในหนึ่งนาทีข้างหน้าแต่คุณหรือส่วนใหญ่ทําไม่ได้ <S <S เดี๋ยวมันคิดไปเรื่องโน้น <S <S เดี๋ยวคิดไปเรื่องนี้แล้ เราไม่รู้แม้กระทั่งว่าในหนึ่งนาทีข้างหน้าเราจะคิดอะไรเดีย๋ยวว่าแต่ห้าหนาทีข้างหน้าเลไอ้เรื่องออพระเจ้ากับปัญญาของมนุษย์เนี่ยนะก็เป็นเรื่องของอินเดนแดงนะที่เขาเล่าสืบทอดกันมาเป็นหลายร้อยปีนะซึ่งมั น, มนสะท้อนเห็นถึงธรรมชาติของมนุษย์แต่ไหนแต่ไรมาคือว่าเรามักจะมองข้าม สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดก็คือใจของเราถ้าไปเพราะเรามองข้ามเนี่ยนะเราจึงไม่ตระหนักว่าในใจของเราเนี่ยมันมีความสุขที่ประเสริฐมันมีความสุขที่ประณีตจะเรียกว่าสุขอยู่ซ่อนอยู่ก็ได้แต่ที่จึงไม่ได้ซ่อนหรอกมันอยู่ตรงนั้นอะ่ะไม่ได้ซุกไม่ได้ซ่อนที่ไหนอยู่ชัดเจนแต่เรา มองไม่เห็นนะเราไปหาความสุขนอกตัวซีเยอะเราไปคว่าความสุขเนี่ยมันอยู่ข้างนอกตัวเรานะเด็กก็คิดว่าความสุขมันอยู่ตามห้างนะวัยรุ่นก็คิดว่าความสุขนะมันอยู่ที่โร <c oughs> งละครสถานคอนเสิร์ตหรือว่าถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะคิดว่าความสุขนะมันอยู่ใน ตามเกาะตามทะเลนะตามภูเขาแหล่งธรรมชาติที่งดงามตื่นตาตื่นใจถ้านะถึงเวลาที่เราจะไปหาความสุขในเทศกาลพิเศษเช่นปีใหม่ตรุษจีนสงการานต์นะเราก็ไปหาเอาตามห้างตามร้านนะตามพัตตารตามโรงหนังสบัยก่อนรวมทั้ง ตามต่างจังหวัดสถานีไกลๆซึ่บางทีเราคิดว่าความสุขจะหาได้จากคนนั้นคนนี้ถ้าคนนั้นคนนี้เขารักเราเขาพอใจเราเราจะมีความสุขแต่ที่จริงแล้วเนี่ย น, นั่นไม่ใช่เป็นความสุขที่ยั่งยืนความสุขที่แทแ้ความสุขที่ประเสริฐเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนไม่ต้อง ด, นดานต้นไปไกลพบได้ที่ใจเราความสุขเนี่ย ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันมีอยู่สองชนิดใหญ่ๆอันที่หนึ่งคือสุขเพราะเสพนะสุขเพราะเสพหรือสุขเพราะได้เสพเช่นได้กินอาหารที่อร่อยได้ดูหนังได้ฟังเพลงมีสร้อยนะได้เงินนะหรือว่าได้ประสบการณ์แปลกๆ ใ, ใหม่ๆไปดิสนีย์แลนด์นะไปผจนภัย ได้ไปยังสถานที่ที่ตื่นตาตื่นใจอันนี้เรียกลมรวมว่าการเสพนะหรือว่าการบริโภคเราบริโภคทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายนะเราไม่ได้บริโภคอาหารเราบริโภคข้อมูลข่าวสารและเราก็บริโภคหรือเสพประสบการณ์นะการไปเที่ยวคือการไปเสพประสบการณ์ซึ่งบางทีมันก็รวมถึงการเสพทางตา เช่นได้ไปเห็นสถานที่นะที่สวยงามได้ไปกินอาหารนะที่แปลกใหม่ได้ไปจับใจ่ายใช้สอยได้ไปซื้อของอันะนี้คือความสุขที่ผู้คนปรารถนาแล้ก็เผยหาแล้วนั่เพรา ะ, าะนะว่าทำไมเราอยากจะได้เงินเราอยากจะมีเงินเพราะถ้าเรามีเงินแล้วเนี่ยเราก็จะมีสิ่งเสพนะมาปนเปื้อนความสุขให้กับเรา แต่ความสุขแบบนี้เนี่ยนะมันก็ไม่ได้สุขจริงเพราะว่าเราจะพบว่า <c oughs> เสพเท่าไรมันก็ไม่พอจริงอยู่นะอาหารเนี่ยเรากินได้จำกัดแต่อย่างอื่นเนี่ยนะเราจะเสพแล้วเสพเล่าเรามีเงินเท่าไหร่เราก็ไม่เคยรู้สึกว่าพอสักทีเราฟังเพลง ไม่ว่เพไหนที่ไพเราะแต่ฟังไปฟังไปมันเริ่มให้ความสุขกับเราน้อยลงฟังไปนานๆสักร้อยเที่ยวเริ่มเบื่อละก็อยากจะได้ฟังหรือได้ซื้อเพลงใหม่เสื้อที่สวยงามราคาแพงเราได้มาทีแรกก็ดีใจแต่ไม่นานเราก็เบือ่อแล้วเราก็อยากได้ตัวใหม่ เราได้นาฬิกามาห้าแ0 0ราคาห้าแส0ราคาล้านทีแรกก็ดีใจนะแต่พอใส่ไปสักสองเดือนสามเดือนหกเดือนเติมเบื่อแล้วอยากได้เรือนใหม่จึงไม่แปลกใจที่ทำไมบางคนเนี่ยมีนาฬิกาเรือนล้านถึงสาสิบเรือนนะทำไมบางคนเนี่ยมีรองเท้าราคาแพงเนี่ยนะคู่ละหลายพันหรือเป็นหมื่นนะถึงสองร้อยคู่ สามร้อยคู่ก็ยังมีนะฮะนะแล้วเขายัางอยากได้คู่ที่สามร้อยหนึ่งคนที่มีนาฬิกาแล้วสามสิบเรือนก็ยังได้อยากได้เรือนที่สามสิเ็ทำไมอยากได้อีกทำไมอยากได้เพิ่มเพราะว่ามันมันเบื่อและไม่รู้สึกพอใจเสียทีเพราะรู้สึกว่าความสุขที่ได้มา มันเจือจางลงมันจืดจางลงแล้วไม่ใช่อะไรนะมันเหนื่อยนะระหว่างที่เราหามาเนี่ยมันก็เหนื่อยยิ่งของมีราคายิ่งของแพงก็ยิ่งเหนื่อยนะได้มาแล้วนะก็ยังต้องคอยรักษาเอาไว้กลัวคนขมโมยกลัวทำหล่นกลัวทำหายถ้ามันเสียนะก็ไม่สบายใจและยิ่งถ้ามันหาย ก็อาจจะกลุ้มใจเศร้ามันเป็นความสุขที่เรียกว่าเจอไปด้วยทุกข์ไอความสุขเพราะเสบนี่นะมันเจอไปด้วยทุกข์พุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับแสงสว่างที่เกิดจากคบไฟที่ทําด้วยหญ้าแห้งทําได้ฟางแสงสว่างเนี่ยมันมีประโยชน์ แต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นแสงสว่างจากโคมไฟที่ว่าเนี่ยมันจะทําให้ระคายเครืองเพราะมันมีควันนะระคายเครืองนะหายใจไม่ค่อยออกยิ่งกว่านั้นเนี่ยถ้าจับไว้นานๆถือไว้นานๆนะไฟมันก็จะลามแล้วก็ไหมมืออันนี้เป็นสุขที่เจอไปได้ทุกและอีกหยานคือมันเป็นสุขชั่วคราว แต่เป็นทุกยาวนานนะเป็นทุกยาวนานมีเรื่องเล่าว่าชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยไปกราบหลวงปูด่ดูพรมปัญโยประสักแกยุธยาท่านมารณภาพาไปเกือบยี่สิบปีแล้วมั้ะชายหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าเนี่ยเพิ่งไปชอบพระอุปคุตมาหลวงปู่ก็ถามว่าชอบมาทำไมแก ต, ตอบว่าอยากรวยครับหลวงปู่ก็เลยพูดขึ้นมาเบาๆ ว, าวา่า รวยกับซวยนี่มันใกล้กันนะหมายความว่ายังครับหลวงปู่ที่ท่านต้องก็บอกว่ามันเขียนคล้ายกันตอนหลังท่านก็อธิบายว่าเนี่ยนะไอ้รวยเนี่ยได้ทรัพย์ได้อะไรมาเนี่ยนะมันก็เหนื่อยกับการรักษาต้องเหนื่อยต้องเหนื่อยกการหามาและเหนื่อยการรักษานะแล้วพอหายไปเสื่อมไปก็ทุกข์แล้วท่านก็บอกว่าเนี่ย จะไปเอารวยเลยนะเอาความดีดีกว่าเอาความดีอันนี้คือคือข้อข้อเสียของสุข p พร c e เ s ็ข้อดีก็มีนะสุข p พร c e เ s ็เนี่ยมันมันทันใจมันทันใจดีนะ คือพอได้กินปุ๊บนี่มีความสุขเลยพอได้เสร็จปุ๊บมีความสุขเลยนะคนที่กําลังเครียดกำลังเครียด เ, เนี่ยนะพอไปกินอาหารกินช็อกโกแลตกินเนยเตนี่รู้สึกดีขึ้นมาเลยนะคนเวลาเครียดจริงๆชอบกินของหวานมากเลยแล้วก็อ้วนเอาอ้วนเอาแล้วก็มาเครียดกับความอ้วนเนี่ยนะแล้วก็เลยต้องกินให้มากคือมันไวแล้วมันมันทันใจนี่คือเสน่ห์ของมันนะจะเรียกว่ามันหาง่ายก็ได้ ง่ายในความหมายที่ว่าพอเสร็จปุ๊บสุกปั๊บเลยนะกำลังเซ็งๆเออได้ดูหนังนะได้ฟังเพลงจิตใจมันก็ดูดีขึ้นมาเลยมันเป็นสุขที่เข้าถึงง่ายนะแต่ว่ามันจืดจางได้เร็วแล้วก็มันมันตามมาด้วยความทุกข์นนี้มันเป็นสุขอีกชนิดหนึ่งนะเมื่อกี้สุขเพราะเสพ สูดอีกชนีดนึ่งคือสุดเพราะสงบนะสงบสองชนิดนี้เนี่ยจะเรียกว่าแตกต่างกันเลยก็ได้นะเพราะว่าไอ้สุด เ, นะเพราะเสพเนี่ยนะมันสุดเพราะจิตมันถูกกระตุ้นเรานะที่จริงไม่ใช่เพราะจิตของเรานะผัสสะของเราถูกกระตุ้นเราอาหารอร่อยเพราะว่ามันเป็นกระตุ้นที่ลิ้นนะนะจะเป็นหวานจะเป็นเปรี้ยว เป็นเค็มนะหรือเผ็ดเนี่ยนะหรือว่าคนไทยเนี่ยนะถ้าอาหารจืดๆนี่ไม่อร่อยนะมันต้องเปรี้ยวมันต้องเผ็ด น, นะมันถึงจะอร่อยนะแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีหวานเข้ามาเจอือเพลงเนี่ยจะให้ความสูงเนี่ยมันต้องเพลงที่เร็วนะถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันต้องกระแทกกระทันนะถ้าเป็นเพลงแบบเรื่อยๆเอื่อยนะโมโนโทนเนี่ย ก็ถือเป็นเพลที่ไม่ไถ่ร้อไม่ให้ความสุขหนังเนี่ยนะมันจะให้ความสุขมันต้องบูนะบางทีก็ถึงเขาเรียกว่าบูลังผ่านนะสมัยก่อนก็เรียกว่าอะไรอ่าระเบิดเขาเผากระท่อมนะต้องมีประเภทฉากระเบิดเ้าเผากระท่อมเนี่ยนะมันเป็นอสนุกนะถ้าเรื่อยๆนะมีบทสนทนากันหรือมีแต่ฉากนิ่งๆนะมันไม่มันไม่สนุกดูก็น่าเบือ่อ อันนี้ความสุขนะของวัยรุ่เนี่ยจากการที่ได้ไปผจนภัยขับรถซิงเนี่ยมันสูงเพราะามันไปกระตุ้นกระตุ้นนะกระตุ้นประสาทกระตุ้นผัสสะไม่แต่ความสุขทางเพศแล้วก็เป็นเรื่องการกระตุ้นนะแต่สุขชนิดที่สองเนี่ยสุขเพราะสงบเนี่ยมันอีกคุ ณ, คณลักษณะหนึ่งคือมันใจมันสงบใจมันเริ่มเบาความสุขแบบนี้เนี่ยเข้าถึงยาก แต่ว่าถ้าถึงแล้วเนี่ยนะมันอยู่ได้นานนะแล้วก็ทำให้เกิดความอิ่มเอมใจเด๋ยวนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยหยหาสุขชนิดหลังมากสุขเพราะสงบเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคนเนี่ยนะจิตใจว้าวุ่นมากจิตใจว้าวุ่นเด๋ยวนี้เนี่ย แม้แต่ที่ส ง, ทสงบเนี่ยก็หายากแล้วไปที่ไหนนะมันก็มีเสียงดังอยู่ในปา่านะดูเหมือนสงบนะแต่เสียงดังก็ตามมาเสียงโทรศัพท์นะเสียงลายนะเดีย๋ยวนี้เนี่ยจะหา ท, ที่ที่สงบสงบเนี่ยยาก เพราะว่าสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณเอนเตุนี้มันจึงมีคำพูดในหมู่ฝรั่งว่าเนี่ย Silence is golden นะ golden หมายถึงสิ่งมีค่าความเงียบส ง, งัเนี่ยเป็นสิ่งมีค่ามากเดี๋ยวนี้คนรวยจำนวนมากเนี่ยโดยเพาะพวกนักธุรกิจที่รับผิดชอบนะกิจการเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเวลาเขาจะไปเที่ยวนะไปเที่ยววาเกชั่นเนี่ย ก็จะพยายามไปในที่ที่มันไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไปถึงเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเป็นสถานที่พักนะราคาแพงมากเลือกไปในที่ที่ไม่มีโทรทัศน์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะ ย, ยอมจ่ายเงินที่จริงมันก็ถ้ารู้สึกว่าสัญญาณโทรศัพท์มันกลัวนีจริงก็ไม่น่ายากนะ ก็แค่ออฟไลน์กันนะหรือปิดเครื่องนะปิดเครื่องนันก็จบแต่ฝรั่งทําไม่ได้นะมันอดไม่ได้ที่จะที่จะออนไลน์แต่ถ้าออนไลน์แล้วสถานที่นั้นไม่มีสัญญาณอก็ต้องจํายอมรับสภาพอัตมาก็ไม่เข้าใจเหมงินนะถ้ารู้สึกว่าสัญญาณโทรศัพท์มันลบกวนก็ปิดโทรศัพท์นะถ้าสื่อสารอินเทอร์เน็ตมันลบกวนก็ออฟไลน์นะแต่ฝรั่งทําไม่ได้เพราะว่าห้ามใจไม่อยู่ นันก็เลยคิดว่าเออนั่นต้องไปในที่ที่มันแม้จะห้ามใจไม่อยู่นะแต่ว่าเปิดโทรศัพท์ก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีสัญญาณออนไลน์ก็ไม่มีความหมายแล้วเขาจะพบความสงบอันนี้เนี่ยนะมันมีมันมีปรากฏการณ์หลายอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าคนทุกวันนี้เนี่ยปรารถนาความสงบใจ Google นะหรือว่า Microsoft เนี่ยนะเราก็ทราบดีอยู่แล้วนะว่าพวกนี้นะมันเป็นสถานทำงานของคนที่ฉลาด ปาดเปิืแล้วก็ร่ำรวยตอนนี้เนี่ยโปรโครงการหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะก็คือการนั่งสมาธิการเขาใช้ว่าฝึกสติแต่บางบางแห่งเขาก็พยายามเลี่ยงใช้คำที่มันเป็นกลางๆเช่น Google เนี่ยเขาก็มีโครงการฝึกสติแต่เขาใช้คำว่า search inside yourself search inside yourself search inside, Se inside yourself คือ ค้นหาภายในตัวคุณค้นหาอะไรค้นหาความสงบค้นหาความสุขเป็นหนั้งเสื้อมาเลยนะเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่เขาได้รับความนิยมมากในหมู่พนัก ง, งานในคอร์สซอฟต์เขาเลยทําเป็นหนั้งเสือ้อมาแล้วก็พิมพ์ขายด้วยเป็นโครงการที่เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเขามีการจัดให้เจริญสติทําสมาธิในที่ทํา ง, งาน หรือไปรีทรีตต์เก็กว่ารีทรีตข้างนอกสมวัน5้าวันหลายแห่งเนี่ยนะต้องเสียเงินนะฮะเสียเงินเพื่อที่จะเข้าคอร์สเมืองไทยเนี่ยเข้าคอร์สเนี่ยส่วนใหญ่ฟรีนะแล้วค่อยบริจาคอาทิตย์หลังด้วยเพราะถ้าไปเข้าคอร์สในวันเนี่ยฟรีอย่างเดียวเลยแต่เมืองนอกนี่ต้องจ่ายหลายหมื่นนะฮะจ่ายหลายหมื่นทีเดียวแล้วก็มีคนนิยมอันนี้มันแสดงว่าคนเนี่ย ทวันนี้โดยเพราะคนที่เขาเขาได้เสพได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากการเสพเขาได้เสพเต็มที่แล้วนะเขามีเงินเขามีเสรีภาพในการเสพมากแต่พอถึงจุดนึงก็พบว่ามันไม่ใช่คาตอบของชีวิตมันไม่ได้มันไม่ได้ให้ความสุขอย่างแท้จริงก็เลยหันมา มารู้จักมาสัมผัสกับความสุขชนะนิดเนี้ยที่เทตมาเรียกว่าสุขเพราะสงบนะสงบในที่นี้เนี่ยมันไม่ใช่สงบเพราะสิ่งแวดล้อม น, นะสิ่งแวดล้อมเนี่ยแม้จะไม่มีเสียงดังแต่หลายคนไม่พบความสงบเพราะอะไรเพราะใจใจมันว้าวุ่นนะใจคิดโน่นคิดนี่ความสงบ ของสถานที่เนี่ยอาจจะไม่ช่วยให้หลายคนได้พบความสงบในใจเพราะใจมันยังคิดท่านติดตาทานได้เป็นพระเซนชาวเวียดนามถ้าบอกว่าในหัวคนเราเนี่ยมันมีสถานสถานีวิทยุนะที่ชื่อว่านอนสต็อปนะนะนอนสต็อปเนี่ยสถานีวิทยุนอนสต็อปเนี่ยนะมันมันส่งเสียงดังอ ย, อยู่ในหัวเราตลอดเวลาไม่เฉพาะเวลาตื่นเวลาหลับก็เหมือนกันนะ ที่คนเวลาเรียกว่ากลางคืนฝันกลางวันฟุง้งนะแล้วคนนี้เป็นเยอะนะกลางคืนฝันกลางวันฟุง้งนะฟุ้งเรื่องงานฟุ้งเรื่องครอบครัวนะวิตกเรื่องชีวิตแม้จะหลีกปลีกตัวไปอยู่ในปา่าดูในเกอกแก่งที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยนะนะที่ไม่มีใครตามมารบกวนแต่ก็ยังหาความสงบ ในจิตใจไม่ได้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะทำอย่างไรเนี่ยเราจะพบความสงบในใจได้ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดก็ตามจริงๆความสงบเนี่ยนะเราไม่ต้องไปหาที่ไหนเนี่ยเราพบได้ที่ใจของเราเราจะมารู้จักอาจารย์ท่านหนึ่งนะตอนนี้ท่านกเกษียณไปแล้ว ถ้าเร า, าเมื่อ45ปีก่อนเนี่ยท่านไปเรียนเป็นใญ่เอกที่อเมริกาวันหนึ่งเนี่ยนะักธรมหมายเทลัยมาทาบถามท่านมาขอร้องมาเชิญใหเ้เป็นเป็นอุปทาภ์พระที่เบไท่านหนึ่งซึ่งหมายเทลัยนิ ม, มนต์มาจากประเทศอินเดียหมายเทลัยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่จริงคนอเมริกันตอนนั้นด้วย ทั้งประเทศเลยไม่เคยรู้จักพุทธศาสนาประเทิเบตต์อนนี้ทลายแล้วมากก็ยังไม่ดังมาอะไรนี่มรณพระมา ก, ก็ไม่รู้ว่จะอุปถากอย่างไรนะเพราะไม่รู้ธรรมเนียมก็คิดว่านักศึกษาคนไทยคนเนีนะ้ก็คงพอจะดูแลพระได้เพราะว่าไทยกับทิเบตเนี่ยก็เป็นเอเชียเหมือนกันแล้วก็ถือพูดเหมือนกันที่จริงอาจารย์ท่านนี้ถ้าเป็น โปรเสตสแต น, นนะเป็นคริสเตียนแต่ท่านใจกว้างถ้านกบอกท่าน ด, นดีรับเป็นอุ ป, ปถานให้ก็็นอุปทานให้พระธิบา เ, เนี่ยซึ่งเป็นบนะินโปเช่นะบทีเราก็เรียกว่าลา ม, มาอยู่สามวันประทับใจมากประทับใจเพราะว่าคือสัมผัสได้ถึงความสงบ ความเมตตาของท่านท่านเป็นกันเองนะแล้วก็มีอารมณ์ขันนะเบิกบานสัมผัสได้เลยนะว่าพระรูปเนี้ยมีความสุขมีความสงบพอสุดท้ายเนี่ยนะพระธิตแนะท่าน ก, น, กนก็จะเดินทางกลับอเมริกากอับ อ, อินเดียนักสัตว์ไทยก็เลยถามว่าถามท่านว่าเนี่ยเมื่อผมเรียนจบ แล้วกลับไปเมืองไทยถ้าจะขออนุญาตไปเยี่ยมวัดท่านไปอยู่วัดท่านเนี่ยจะได้ไหมคือได้ทราบว่าวัดท่านเนี่ยอยู่ในชนบทที่ห่างไกลสงบคล้ายๆแชงกิีล่ า, ลานะอยูนะ่อยู่บน เ, เชิงเขานะซึ่งสวยงามมีหิมกปกคลุมเงียบสงัดมากก็เลยอยากไปอยู่ที่นั่นพัติเบรทท่านก็บอกว่าได้แต่เขาถามหน่อยว่า อยากจะไปทำไมอาจารย์นักษาคนนั้นก็บอกว่าอยากไปหาความสงบครับเพราะว่ากรุงเทพและเมืองไทยมันไม่เคยสงบท่านตอบดีนะท่านตอบว่าถ้าคุณไม่พบความสงบที่เมืองไทยถ้าคุณไม่พบความสงบที่กรุงเทพะนะไปวัดอัตมา ก, ก็ไม่เจอเหมือนกันคำพูดนี่เนี่ยมันไปกระทบใจท่านมากเลยมันเป็นคาถามให้กับนักษาคนนี้ แล้วซึ่งน้าสาวนี่คงจะพบคนต่อนะเพราะเมื่อเรียนจบปริญญาเอกแล้วก็กลับเมืองไทยไปเป็นอาจารย์ก็อยู่ที่เมืองไทยตลอดนะไปสอนที่จุฬาแล้วต่อหลังก็ย้ายไปเชียงใหม่จนเกษียณความสงบเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่นะมันอยู่ที่ใจเราคิดว่าที่ใจเราไม่สงบเพราะสิ่งแวดล้อมไม่สงบ เพราะเสียงดังไม่สงบนะเพราะผู้คนวุ่นวายที่จริงไม่ใช่นะฮะมันเป็นพ้อใจเรา้เรื่องที่อธตรมาเคื่อเป็นเป็นตัวอย่างที่คลาสสิกมากนะแล้วก็นำมาพูดบ่อยๆเพื่อเตือนให้คนได้ตระหนักว่าจริงแล้วเนี่ยความสงบมันอยู่ที่ใจเนี่ยก็คือเรื่องของหลวงปู่บุตรตาทาวโร หลวงปู่ดท่านมารณรัตภาพไปยี่สบห้าปีแล้วนะฮะถ้าท่านอยู่ป่านนี้ก็ร้อยยสิบห้าปีมีเรื่องเราว่าประมาณสักหกสิบปีที่แล้วเนี่ยท่านไดำนิหมดให้ไปไปฉันเพลนที่บ้านโยมในกรุงเทพว่าท่านอยู่สิงห์บุรีนะเพื่อท่านฉันเพลนเสร็จท่านก็จะกลับวัดเจ้า้าก็เห็นว่าท่านชราแล้วอีกทั้ง สชีงบุรีสมัยนั้นเนี่ยก็ไกลเดินทางเป็นชั่วโมงหลายชั่วโมงนะถนนก็ไม่คยดีรถ ก, ก็ช้าก็นี่ไมาให้ท่านพักก่อนพักที่บ้านเขาสักครู่สักชั่วโมงสองชั่วโมงก็จัดห้องให้นะลูกศิษย์ลูกหาสามสี่คนก็มานั่งเป็นเพื่อนเวลาจะคุยกันก็กระิบกระราบกันเพราะว่าเกรงจะเกรงว่าจะไปรบกวหนหลวงปู่ บังเอิญห้องที่หลวงปู่นอนเนี่ยนะจำวัดเนี่ยมันติดกับร้านขายของชำเจ้าของเป็นคนจีนคนจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาสวมเกีย้ยเนี่ยเกีย้ยไม้อะตมานี่ตอนเด็กๆก็ยังสวมเกีย้ยไม่เลยเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยรองเท้าฟองน้ำรองเท้ายางเนี่ยมันมันยังไม่ค่อยมีหายยากเกีย้ยเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเสียงมันดัง มันก็ดังมาเข้าไปถึงในห้องของหลวงปู่ลูกศิษย์ก็ไม่พอใจพูดขึ้นมาว่าเนี่ยเดินเสียงดังจังไม่เกรงใจกันเลยหลวงปู่ท่านไม่ได้หลับนะท่านได้ยินท่านก็เลยเปลยขึ้นมาเบาๆว่าเนี่ยเขาเดินของเขา อ, อยู่ดีๆเราพูดไปลองเกีย้ยขาเองเสียงเกีย้ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาเกิดจากการที่เราเอาหูไปลองเกีย้ย แล้วที่เราหูไปรองเกีย้ยเพราะอะไรนะเพราะว่าไม่มีสติพอใจไม่มีสติปุ๊มเนี่ยนะหูมันก็หาเรื่องมันไม่ชอบเสียงเกียนะแต่ใจก็จะเอาหูไปรองเกีย้ยนี่แหละคือเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงหลายคนลาคาญเพื่อนบ้านนะก่อสร้างนะตอกไม้ตีตะปู ก็หงุดหงิดนะบางทีกลด่ดาเพื่อนบ้านหรือบางทีถึงขั้นทะเลาะกันจริงๆแล้วเนี่ยไอเสียงต่อตะปูเนี่ยไม่ใช่ปัญหาปัญหาเกิดจากการที่เราเอาหูเนี่ยนะไปลองคอนเขานะใช่ไหเราไม่ชอบเสียงนั้นเนี่ยแต่แปลกนะใจยิ่งไปจดจ่อที่เสียงนั้นสมมติมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาในห้องเนี่ย ทั้งที่ที่เสียงรึงโทนก็เพรินะนะแต่พอตีปุ๊บนี่เราหงุดหงิดเลยแล้วเมื่อเราหงุดหงิดหรือเราไม่ชอบนี่นะใจเรายิ่งไปจดจ่อที่เสียงนั้นบางทีไม่สนใจแล้วอจตมาพูดอะไรนะยิ่งไปจดจอนะเสียงก็ยิ่งดังความหงุดหงิดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปดูหนังฟังเสียงก็เหมือนกันนะดูหนังเนี่ยโหฉางเนี่ยข้างหน้านี่นะกาลัง นะหนังกําลังมาถึงฉากที่ตื่นเต้นนะแต่ถ้าเกิดมีข้างหลังนะสองคนคุยกันนะหรือกระซิบกระซาบกันนี่ก็ไม่ได้คุยกันก็แค่กระซิบกระซาบนะทางที่ข้างหน้าเนี่ยนะหนังเนี่ยกําลังถึงจุดที่ตื่นเต้นนะแล้วข้างหลังคุยกันนะเราไม่ชอบนะให้เราชอบข้างหน้ามากกว่านะแต่ใจเราไปจดจ่อที่ไหนไปจดจ่อไอ้เสียงที่เราไม่ชอบนะบางทีดูหนังไม่รู้เรื่องบางทีนับร้องกําลังร้องเพลงนะ เราอยากฟังเขาร้องเพลงเราชอบเสียงเพลงของเขาไอ้ข้างหลังเนี่ยเราไม่ชอบแต่เราดันไปจดจ่อไอ้ข้างหลังที่เราไม่ชอบมากกว่าที่เราจะจดจ่อใส่ใจข้างหน้าซึ่งกำลังร้องเพลงที่เราชอบแล้วเราก็หงุดหงิดขึ้นมาเสียงดังเนี่ยนะมันไม่ยาเท่ากับความหงุดหงิดที่เกิดขึ้นในใจและพอใจหงุดหงิดนะมันก็ไม่สงบ แล้วไม่สงบเพราะอะไรนะก็เพราะใจเนี่ยไปจดจอ่อสิ่งที่เราไม่ชอบใจไปจดจ่อเพราะอะไรเพราะไม่มีสติเราไม่มีสติคือไม่รู้ทันไม่รู้ทันอาการของใจแล้วเราไม่ได้จดจ่อเปล่านะเราไปทะเลาะกับเสียงนั้นด้วยเราไปรวมรันพันโตกับเสียงนั้น เมื่อ40ปีก่อนนะหลวงพ่อชาเนี่ยสุพัทโทเนะพิ่งมีงานฉลองเพิ่งมีงานาครบร้อยปีของหลวงพ่อเนี่ยนะเมื่อเดือนที่แล้วนะที่วัดหนองปลาคงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ40ปีที่แล้วท่านไดนวิมดให้ไปแสดงธรรมที่ประเทศอังกฤษเจ้าภาพก็ จะให้ท่านพักที่วิหารกลางคุณ ล, ลอนดอนชื่อวิหารแฮมสเตดไอ ต, ตรงข้าวิหารเนี่ยมันมีผับมีบาร์กลคืนเนี่ยก็จะมีเสียงดนตรีเสียงร้องนาทําทเพลงซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่หลวงพ่อเนี่ยพาพระระยมนั่งสมาธิไอเย็นวันหนึ่งเนี่ยข้าววันหนึ่งเนี่ยเสียงดนตรีมันก็ดังเข้ามาถึงในวิหารในห้องที่พระกําลังพระระยมนั่งสมาธิ ผ้าหลายรูปโยนหลายคนนั่งสมาธิไม่เป็นสุขเลยแต่หลวงพ่อนี่ท่านนั่งนิ่งเหมือนกับไม่ได้ินเสียงอะไรหลังจากนั่งสมาธิสี่สิบนาทีเสร็จนะเจ้าภาพเนี่ยก็มาหาหลวงพ่อเลยมาขอโทษบอกว่าเนี่ยขอโทษที่เสียงดนตรีรบกวนการนั่งสมาธิหลวงพ่อท่านยิ้มแล้วก็ตอบว่า โยมนะไปคิดว่าเสียงดนตรีรบกวนเราที่จริงเราต่างหากที่ไปรบกวนเสียงดนตรี เ, เข้าใจไหมใจของเราเนี่ยไปทะเลาะกับเสียงดนตรีมันจึงไม่สงบมันจึงหมุนหงิดนะถ้าใจเราเนี่ยนะไม่ไปทะเลาะกับเสียงนะแค่รู้สึกเฉยเฉยแค่ได้ยินเฉยเฉย หรือวางใจเป็นกลางเนี่ยมันไม่ทุกข์หรอกมันไม่หงุดหงิดหรอกเสียงดังก็ดังไปอย่างหลวงพ่อช้าเนี่ยท่านก็ได้ยินเสียงดังแต่ใจท่านเนี่ยนะนะไม่ได้ไปทะเลาะกับเสียงใจท่านเป็นกลางกับเสียงเฉยๆกับเสียงมันก็ไม่ทุกข์คนร้อนเนี่ยทุกข์ใจเพราะสองอย่างนะ แตที่จริงทุกใจเพราะอย่างเดียวนะคือจิตมันดิน้นจิตดิน้นเมื่อไหร่ทุกใจลและดิ้นเนี่ยเพราะเหตุผลสองอย่างหนึ่งดิ้นเพราะอยากอยากได้นะลูกของเราหลายของเราเนี่ยถ้าไม่ได้ไอคอนไม่ได้ไอแพดไม่ได้ของเล่นนะดิ้นเลยนะไม่ได้ดิ้นข้างในใจบางทีตัวก็ดิ้นด้วยนะนอนดิ้นนะนี่เพราะนี่เราดิ้นเพราะอยากได้ ดิ้นอย่างนึ้คือดิ้นเพราะอยากผลักใสอยากผลักไปนะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเสียงไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอาการหรือผู้คนหรือคำพูดถ้ดิ้นเพราะอะไรนะดิ้นดิ้นเพราะไม่มีสติไม่ว่าอยากได้หรืออยากผลักใสเนี่ยมันลึกซึ่งลึกเต็มเป็นเพราะไม่มีสติแต่พอมีสติรู้ทันนี่มันสงบเลยนะแม้มีความอยาก มันก็หายไปเพื่อตอมาเนี่ยนะเธอเล่าว่าเมื่อสักสิบกว่าปีก่อนเนี่ยน้นลูกสาวเธอ22ขวบวันหนึ่งกลับมาจากโรงเรียนรบเร้าแม่หนูอยากได้ของเล่นอยากได้มากเลยแม่กระถางเป็นอะไรของเล่นเธอก็ตอบว่าเป็นเป็นไมโครโฟนนะ ที่พอกดแล้วเนี่ยมันจะร้องเพลงเหมือนกับว่าเด็กเนี่ยร้องเพลงร้องเพลงได้สมัย น, นั้นยังไม่มีโทรศัพท์มือถือนะสมาร์ทโฟนก็ไม่เอาพูดถึงงั้นสาเด็กก็อยากได้ของเล่นแบบเนี้ยถือว่ามีถือว่าดึงดูดใจแม่ก็ถามว่าราคาเท่าไหร่เด็กตอบว่าสี่ร้อยบาท สร้บ้านเนี่ย400ถือว่าแพงเวลาแม่เนี่ยเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยก็จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันที่หนึ่งคือซื้อให้เลยนะตัดปัญหาเพราะเด็กอยากได้มากอันที่สองคือไม่ซื้อให้ก็ตนะั้งใจแข็งแต่ว่าแม่คนนี้เนี่ยแกมีทางออกอีกทางหนึ่งก็อบอกกับลูกว่า ถ้าลูกอยากได้จริงๆแม่ก็จะซื้อให้นะแต่มีเงื่อนไขยอยู่สองอย่างหนึ่งแม่จะหักเงินค่าของของลูกเนี่ยวันละครึ่งหนึ่งยี่สิบบาทก็หักมาสิบบาทประมาณหนึ่งอาทิตย์สองทุกเย็นก่อนที่ลูกจะกลับบ้านให้ไปที่ร้านนั้นแล้วก็ไปดูของนั้นแล้วก็ให้ สังเกตความรู้สึกหรือความอยากของตัวด้วยหนึ่งอาทิตย์ถามได้มะลูกทำได้ลูกดีใจแล้วลูกก็นะทุกวันเนี่ยนะลูกก็ไปดูของเล่นชิ้นนั้นก่อนจะกลับมาบ้านทำไปได้สามวันมาที่สี่บอกแม่ว่าแม่หนูไม่เอาละอ้าวทำไมหนูอยากได้ไม่ใช่เหรอเบื่อ เอาเงินสี0้อไปซื้ อ, อยังอื่นดีกว่าไอเด็กเบื่อเลยนะไอตอนแรกอยากได้มากรบเลาแม่แต่แม่ก็ฉลาดนะแม่บอกว่าให้ให้เด็กเนี่ยมาดูความอยากของตัวธรรมชาติของอารมณ์นะความอยากก็ดีความโกรธก็ดีเนี่ยพอเราไปสังเกตมันมาบ่อยๆนะไปดูมันบ่อยๆนะมันจะฝ่อลงมันจะฟอล ง, อลงเพราะว่าธรรมชาติของอารมณ์พวกเนี้ย มันมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งนะคือมันกลัวถูกรู้ถูกเห็นก็เราไปเห็นมันไปรู้ทันมันเนี่ยด้วยสตินะมันจะค่อยสงบลงสงบลงสงบลงแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราอยากได้อะไรเนี่ยเด็กก็เหมือนกันนะไม่ค่อยสังเกตดูใจนะทำตามความอยากเลยคือซื้อเลยนะซื้อเลย บางทีซื้อเสร็จแล้วก็มาเสียใจภายหลังนะเพราะว่าเราจากนั้นสามวันพราพบว่าไอ้ของที่ตัวเองซื้อเ น, นี่ยนะที่อืเขาขายถูกกว่านั้นซื้อร้อยปรากฏว่าอีกสามวันจะมาก็ข า, ขายเจ็ดสิบเนี่ยเป็นไงเสียใจเลยนะไม่ต้องอะไรนะเราซื้อมาร้อยนะดีใจไปเจอเพื่อนเพื่อนบอกซื้อมาได้แปดสิบวันนั้นเนี่ยวันเดียวกันเลยเนี่ย เป็นไงอ่าอันนี้ก็เป็นประเด็นนะการที่เราได้อะไรมาเนี่ยแมะ้จะเป็นของดีมันก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขถ้าเราวางใจไม่เป็นเช่นเราไปเปรียบเทียบคนอื่นเราซื้อมาร้อยแต่เพื่อนซื้อได้เจ็ดสิบห้าแปดสิบห้าก็ได้ความดีใจเปลี่ยนเป็นเสียใจเลยชาว บ, บ้านคนหนึ่งที่หมบวาตา ม, มานะ แทงหวยสามตัวแกแทงสิบห้าได้มาหกร้อยได้ดีใจมากเลยนะไปบอกเพื่อนไปบอกว่าในตัวเองโชคดีนะถูกหวยได้หกร้อ hmm. ยไปคุยอวดจนถ้าไปเจอเพื่อนอีกคนหนึ่ง mm hmm. บอกว่าเขาก็แทงเหมือนกันก็แทงตัวเดียวกันด้วยแต่ก็แทงมากกว่าห้าสิบบาทก็ได้สองพันได้หกร้อยไปเจอเพื่อนได้สองพันนะ ที่เคยยิ่มนมหนาหุบเลยนะกับทุกยิ่งกว่าก่อนที่จะถูกหวยอีกอกับทุกกว่าตอนที่จะถูกหวยอีกอทุกก่อนที่จะถูกหวยนะทำไมเนี่ยโชคดีได้ตั้งหกร้อยแต่พอเจอเพื่อนเขาได้สองพันเราเสียใจจิงเราได้ดีใจเลยเพราะคนนึ่นเขไม่ได้เลยนะแต่ทำไมเราเสียใจ เราซื้อร้อยแต่คนหนึ่งซื้อได้เจ็ดสิบห้าลังที่ไอ้ร้อยนี่ก็เป็นราคาลดแล้วนะก็ไอ้ติดราคาไว้สองร้อยเราต่อได้เหลือร้อยหนึ่งดีใจแต่พอเจอเพื่อนกขบอกก็ต่อได้เจ็ดสิบห้าเราเสียใจยมีคนหนึ่งนะแกไปซื้อเสื้อนะแกก็ต่อนะได้ซื้อเสื้อไปต่อได้สองพันนะสองพันบาทสวยเลยนะแต่พอ พราว่าเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยกลับมาถึงโรงแรมบอกว่าเนี่ยเขาซื้อได้พันห้าแคเสียใจเลยนะแล้แกไม่ใส่เสื้อตัว น, นั้นเลยนะแคนเห็นเสื้อตัว น, นั้นแคนแคนทําไมอะ่ะนะเนื่นองจากคุณก็ซื้อได้ได้ถูกเหมือนกันนะถ้ามาซื้อที่เมืองไทยตัวน่าจะประมาณสี่ห้าพันอันนี้มาชี้อะไรนะคนเราเนี่ยจะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ทว่าคุณได้อะไร มันอยู่ที่คุณรู้สึกกับมันอย่างไรคุณได้โชคได้ลาภนะแต่ถ้าคุณไปเปรียบเทียบกับค น, คนอื่นตัวเขาได้มากกว่าคุณเสียใจนะท่า <c oughs> น, นสุขรืะทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ใจมากเลย <c oughs> เช่นเดียวกันความสงบเนี่ยก็อยู่ที่ใจนะความสง บ, บอยู่ที่ใจและแม้ว่าจิตใจคุณอาจจะเกิดความว้าวุ่นอาจจะเกิดจากความอยาก ถ้าเกิดว่าคุณมีสติเห็นความอยากเนี่ยอย่างที่แม่คนนั้นเนี่ยฉลาดในการสอนลูกให้มีสติมาดูความอยากให้ความอยากเนี่ยมาสงบลงเลยไม่ได้ก็ไม่ทุกหรือแม้จะได้ตอนหลังก็เปลี่ยนใจแม่เอาการรู้ทันใจของตัวนะการมีสติรู้ทันอารมณ์ ที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันทำให้ความสงบเกิดขึ้นที่ใจได้ไม่ใช่ว่าคุณมีความอยากแล้วถ้าคุณทำตามความอยากแล้วใจคุณจะสงบหล้วคนคิดว่าอยากอะไรก็ระ ง, งับความอยากนั้นด้วยการสนองความอยากแล้วเดี๋ยวมันก็สงบเองเราเห็นเด็กนะเด็กกำลังเป็นทุกข์เพราะอยากได้ iPhone อยากได้ของเล่นเอาให้มันไปซะจิตใจมันยู่ได้อ่ สงบสักทีหยุดดิ้นสักทีแต่มันก็เป็นความสงบชั่วคราวเพราะว่าไปเพิ่มกระตุน้นไปเพิ่มความอยากให้มากขึ้นความอยากแรงขึ้นแต่ที่จริงวิธีเรา ง, งับหรือทำให้ใจสงบจากความอยากเนี่ยคือไม่ต้องไปสนองความอยากแล้วก็ไม่ต้องไ ม, ไม่ไม่ต้องทำสิ่งตรงข้ามคือไปกดมันเอาไว้ คนเรามักจะคิดถึงสองวิธีนะคือทำตามความอยากมันจะได้หายว่าวุ่นหรือไม่ชนะก็กดมันเอาไว้มันจะได้ไม่อยากแต่ว่าวิธีนี้ก็ไม่ได้ไม่เคยได้ผลเพราะเดี๋ยวโผล่มามันก็เดี๋ยวเพลิความอยากก็โผล่ขึ้นมาอีกแต่วิธีที่ช่วยได้คือการมีสติรู้ทันมันไม่ใช่เฉพาะความอยากนะไม่เฉพาะความอยากได้อนะอยากผลักไสหรือความโกรธสติก็ช่วยได้เยอะหลายคนเนี่ยพอมีความโกรธก็ พยายามกดข่มมันเอาไว้นะเพราะวกโกดไม่ดีแต่กดข่มยังไงก็ไม่ค่อยได้ผลเพราะเผลอเมื่อไหรก็โผล่มาบางทีมันเก็บกดมาเป็ น, ะนประเบิดในโอกาสอื่นบางที่กรธคนนี้แต่ไประเบิดสายคนนั้นเพราะว่าเราข่มความโกรธคนนี้นะมันก็ไปออกอีกคนหนึ่งแต่มันมีวิธีที่ช่วยทําให้จิตนสงบจากความโกรธ สติความรู้ทันเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลนะตุโลว่าหลวงปู่ทำไงจะตัดความปวดให้ขาดได้หลวงปูต่ตอบว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปเองนะรู้ทันด้วยอะไรด้วยสตินะเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปเองฉั้นถ้าว่าเราต้องการ อยากจะพบความความสุขที่ใจเนี่ยนะการที่พยายามเติมสติให้กับใจของเราเนี่ยมันจะช่วยทาให้ใจสงบได้ไม่ว่ามีอะไรมากระทบไม่ว่าสิ่งที่กระทบนะั่นจะทำให้เกิดความยากหรือเกิดความโกรธ ถ, ถ้าเรามีสติใจมันก็จะสงบ จากอารมณ์นั้นแต่สติที่เรามีเนี่ยนะมันยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยพอยังไม่ค่อยทันการเท่าไหร่เราต้องเติมสติและต้องสร้างสติขึ้นมาด้วยการมันฝึกสติในชีวิตประจำวันทำอะไรก็ทำด้วยความรู้สึกตัวทำด้วยใจเต็มร้อย ตั้งแต่ตื่นขึ้นมากินข้าวตื่นขึ้นมารางหน้าอาบน้ําเก็บที่นอนเดี๋ยวเพิ่งไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวเพิ่งไปสนใจอย่างอื่นให้เอาใจเนี่ยไปอยู่กับสิ่งนั้นอาตมาเรียกว่าด้วยใจเต็มร้อยบางคนอาบน้ําไป ก, ก็ก็คิดแล้วเดี๋ยวจะไปทําอะไรให้ลูกกินเดี๋ยวเช้านี้เนี่ยจะประชุมอะไรดีเรามักจะทําทหลายอย่างในเวลาเดียวกัน กินข้าวก็คิดไปด้วยกินข้าวก็เล่นไลน์ไปด้วยเล่นเฟซไปด้วยใช่ไหมเราลองฝึกสติด้วยการที่ทําอะไรทําเป็นอย่างยากหรือทําทีไรย่างเร้วมันทำให้เรามีสติรู้ทันใจได้ไวมีอะไรมากระทบทําให้ใจกับเพื่อนก็รู้ทันรู้แล้วก็วางอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งนะการมีสติรู้ทันไม่ทําให้เราปล่อยวาง และจิเป็นสระจักอารมณ์ได้ง่ายขึ้นอีกอันนึงที่ธรรมะคิดว่าช่วยได้นะคือการการมองการมองบวกมองบวกเนี่ยคนมักจะเข้าใจว่าหมายถึงการมองว่าอนาคตจะสดใสชดช่วงชัดชวาเศรษฐกิจช่วงนี้ไม่ดีอ่ะปีหน้ามันจะดีขึ้นวันนี้ป่วยนะพรุ่งนี้จะหายจากความป่วย อันนั้นไม่ใช่มองบวกที่อาตมาพูดถึงอาตมาหมายถึงการที่เรามองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่ไม่ได้เห็นแต่แง่ลบเราเห็นแง่บวกของมันด้วยหรือว่าเราพยายามนะสร้างทัศนคติในทางบวกต่อสิ่งนั้นมีกธุรกิจคนหนึ่งนะเป็นคนที่สร้างเมืองโบราณ เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทวิยะประกันภัยนะคุณเล็กวิรยาพันธ์ใจผู้วิทประโยชน์ไว้น่าสนใจก็บอกว่าวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอภิมงคลวันไหนไม่ถูกตำหนิวันนั้นเป็นอภิมงคลแปลว่าอะไรแปลว่าวันไหนถูกตำหนิวันนั้นเป็นมงคลนะเราไม่จำเปว่าคําตําหนิเป็นของไม่ดีในเวลาถูกตําหนิเราจะหงุดหงิด เดีนี้ย่ว่าแต่ตําหนิเลยแค่แนะนําเนี่ยแค่ทักท้วงนี่ย่ะบางทีเราก็ไม่พอใจแล้วบางทีมันทําให้ใจเราวุ่นทําให้ใจเรารุ่มร้อนไปทั้งวันเพราะมีคนมาตําหนิเราหรือต่อว่าเราเดี๋ยวนี้อย่าว่าแต่ตําหนิเลยนะแค่ไม่กดไลค์ก็กุ้มใจแล้วนะ <c oughs> คิดแล้ว <c oughs> จริงๆนะมีคนมาบวชที่ว่าธรรมานะแกก็สี่สิบแล้วนะ จะ่เวลาจะโพสตข้อความขึ้นเฟซนี่นะมันก็จะมีคนกดไลค์เยอะแยะเลยเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะทั้งนั้นแต่วันไหนเนี่ยคนกดไลค์น้อยลงแกแกเครียดเลยนะเอ๊ะเขาไม่พอใจเราหรือเปล่านะคนนี้เขาเคยกดไลค์แต่ทําไมวันนี้เขาไม่กดละเราพูดอะไรไม่ถูกหูเขาหรือเปล่านะเราทํานั้นไม่ถูกใจเขาหรือเปล่านะแล้วแกเริ่มไป ไปเรียกเคียงเคียงถามคนนั้นไปดูว่าคนนั้นเขารู้สึกกับเราอย่างไรคือไปไปไปเซิร์ชเนี่ยไปไปไปตามเฟซของของคนงคนนั้นดูว่าไอเขาเหม็นหน้าเราไหมอะไรเงี้ยแล้วไม่ไทําแค่คนเดียวไปทํากับหลายคนนะท้องวันคุณต้องทําอะไรแล้วเนี่ยนี่ไม่ใช่เด็กไม่ใช่วัยรุ่นนะดีิฉันวัยรุ่นก็เป็นเยอะนะลูกของเพื่อนอมาเนี่ยมีคนไปกดไลน์นี่แกเรื่อมไปไลน์ บอกเพื่อนให้ช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะทุกนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไอ้โลกนี้ก็ลามาถึงคนผู้ใหญ่ด้วย้ะถ้าเพื่อนไม่กดไลค์หรือกดไลค์น้อยลงอนะเริ่มกังวนลแล้วเราทำอะไรไม่ถูกใจเขาหรือเปล่านะอะไรนะยิ่งเจอคอมเมนต์นะยิ่งเจอคำตาหนินะความวิจารณ์ยิ่งเสียศูนย์เข้าไปใหญ่แต่ถ้าเราลองมองในแง่ดีบ้างละ่ะ อย่างคุณเล็กวิเรศพันแกก็มอนในแง่บวกว่าคำตำหนิเป็นของดีนะมันทำให้เรารู้ว่าเราควรแก้ไขอย่างไรนะเราควรมันทำให้เราเห็นข้อผิดพลาดทำให้เราเห็นจุดที่ควรแก้ไขแล้วก็มันยังช่วยเป็นการช่วยลดอีกโก้ลดอัตตาของเราด้วยเพราะว่าคนที่เป็นเศรษฐีนะหรือเป็นผู้นำเนี่ยมักจะมีคน เยินยอบางทีก็ประจบประแจงจนอาจจะเผลอหลงตัวลืมตนเรีว่าตัวเมตตาวดาถ้ารู้สึกแบบนี้เนี่ยอันตรายแล้วแต่ถ้าหากว่ามีคนมาทักท้วงว่าเราก็มีความผิดพลาดอยู่เหมือนกันมันทําให้เราเนี่ยนะกลับมาเป็นมนุษย์มนานะแล้วการที่เราสวดเราเป็นมนุษย์มนาผิดพลาดได้เนี่ยต้อมาเป็นของดีนะเพราะมันทําให้เรากลับมาทบทวนตัวเอง กลัมาแก้ไขตัวเองแล้วก็ฟังคนอื่นมากขึ้นคุณเล็กวิเียพันธ์ใจงบอกว่าเนี่ยวันไหนไม่ถูกตาําหนิวันเป็นอัปมงคลอันนี้เราเป็นการมองบวกความล้มเหลวอุปสรรคนะถ้าเรามองบวกเป็นนะใจเราก็สงบได้นะแต่เรามองไม่เป็นเนี่ยเราจึงทุกเวลาจะอุปสรรคเวลาเจอความล้มเหลว เราม่รู้จักมองบวกเพราะว่าความล้มเหลวอาจจะสอนเราได้มากมายยิ่งกว่าความสําเร็จเราเนี่ยโตขึ้นมาได้เนี่ยพราะเรารู้จักความล้มเหลวสมัยเด็กๆ เ, เราเป็นขาลกเนี่ยนะเราเดินไม่เป็นใช่ไหมฮะเราก็พยายามเดินแต่เดินใหม่ๆเราก็ล้มแต่พอเราล้มบ่อยๆเนี่ยเราจึงเรียนรู้วิธีที่จะ ทรงตัวแล้วก็เดินได้คล่องขึ้นถ้าพ่อแม่เนี่ยกลัวเราล้มแล้วก็อุ้มเราตลอดเวลาหรือประครองเราตลอดเวลาเนี่ยเราจะเดินเป็นไหมเราก็เดินให้เป็นเราเดินเป็นเพราะเราเรียนรู้จากการลบบ่อยๆเหมือนกับเราว่ายน้ําไม่เป็นนะแต่เราว่ายน้ําเป็นในที่สุดเพราะว่าเราว่ายน้ําครั้งแรกๆแล้วก็สําลักน้ำํำนะ ถ้าเราไว่ายน้ำแล้วมีห่วงยางะยุงตลอดเวลาเราก็ไม่มีทางว่ายน้ำเป็นเช่นเดียวการขี่จั ก, กรยานนะไม่มาเราก็ล้มนะถ้ารถจากยางเราเนี่ยนะมันมีล้อสสองล้อหนุนหลังนะอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็ไม่มีทางขี่จั ก, กรยานเป็นเราต้องยอมที่จะถอดล้อสองล้อที่มันมันค้ำข้างหลังเอาไว้แล้วก็เรียนรู้จากการล้ม เราก็จะสามารถขี่จักรยานเป็นได้ในที่สุดการทำงานก็เหมือนกันการเรียนก็เหมือนกันนะต่ม า, างั้นถ้าเรามองว่าความล้มเหลวเนี่ยมันดีนะมันช่วยทำให้เราได้เรียนรู้และการเรียนรู้อย่างหนึ่งคือเรียนรู้ว่าความล้มเหลวเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งเวลวร้ายไม่ใช่ว่าล้มเหลวแล้วเนี่ยจะโลกจะถลม่มฟ้าจะทลาย คนที่ไม่ไม่เจอความล้มเหลวเลยเนี่ยประสบแต่ความสูญใน ต, อตลอตลอดเวลาเนี่ยคนนี้ประเภณนี้น่ากลัวนะน่าเป็นห่วงเพราะเขาจะกลัวล้มเหลวมากและถ้าอะไรที่ที่ที่เขาคิดว่าจะล้มเหลวจะทำไม่ได้เนี่ยเขาจะไม่ทำเลยมันมีการทดลองหนึ่งที่น่าสนใจนะแบ่งเด็กเป็นสองกลุ่มทั้งสองกลุ่มเนี่ยให้ทํา แบบทดสอบเหมือนกันกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะแบบทดสอบนี่มันง่ายนะและส่วนใหญ่ก็จะทำได้ดีกลุ่มหนึ่งนะครูก็จะบอกว่าเธอเก่งนะอีกกลุ่มหนึ่งครูก็จะบอกว่าเออเธอนี่มีความเพียรพยายามนะแล้วเขาให้ทำบททดสอบที่มันยากขึ้นเขาเพบว่ากลุ่มที่ได้รับคำมชมว่าเก่งเนี่ย เมื่อเจอบททดสอบที่ยากหินหินนะหลายคนจะไม่ทำแต่กลุ่มที่สองเนี่ยเจอบทที่บททดสอบที่ยากนะก็ยังทำทั้งที่ผิดทั้งที่ทำไม่ได้ทำไมกลุ่มแรกเนี่ยจึงลังเลใจหรือว่าไม่ยอมทำข้อสอบที่มันยากเพราะอะไรกลัวจะไม่ได้คาชมว่าเก่ง ไอ้ส่วนคุณที่สองเนี่ยนะเขารู้ว่าแม้ผิดแม้ทําไม่ได้ก็ไม่เสียหายนะถ้าหากว่าได้พยายามแล้วอันนี้มันชื่อะไรนะว่าคนที่จะรับคําชมว่าเก่งเนี่ยนะเพราะว่าประสบความสําเร็จทําถูกเนี่ยเมื่อเจออะไรที่มันยากที่ทําถ้าว่าจะล้มเหลวก็จะไม่ทํานักธุรกิจที่เรียนเก่งมาตลอดตั้งแต่ประถมมัธยม นะจนหมายละไก็เข้าคณะที่ดีพวกนี้เนี่ยจะกลัวจะเวลาทำํทำธุรกิจอะไรเนี่ยจะทําธุรกิจที่มันเซฟธุรกิจอะไรที่มันเสี่ยงจะไม่ทำเพราะเขาสู่าความล้มเหลวนี่มันน่ากลัวมากมีคนหนึ่งก็เป็นอย่างเนี้ยนะแต่ทั้งที่ทําธุรกิจที่มันเซฟแล้วเนี่ยนะก็ยังเจ๊งโอ้เขาเสียศูนย์มากเลยเสียใจเสียใจมากเพราะไม่เคยล้มเหลือมา ก, ก่อนในชีวิต แต่สักพักเขาก็ได้คิดว่าเอยมันก็ไม่ถึงกับโลกจะถล่มฟ้าจะทลายนะคนหนึ่งก็ไม่ได้สนใจว่าคุณเคยล้มเหลวมาก่อนคุณเคยเจ๊งมาก่อนเพราะในวงการธุรกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเขาเริ่มตระหนักว่า้ความล้มเหลวเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่ได้เลวร้ววยายอที่เขาคิดมันทําให้เขามีภูมิคุ้มกันความล้มเหลวนะพู้ในงานนี้นะเพรนเนี้ตอนหลังเนี่ยเวลาก็ทําธุรกิจอะไรเนี่ยเขา ก็จะเริ่มกล้ามากคือเขาจะเริ่มยอมกล้าที่จะเสี่ยงมากขึ้นแล้วก็เพราะว่ามันสนุกนะพอเขากล้าเสี่ยงเนี่ยนะไม่กลัวล้มเหลวแล้วเนี่ยการทําธุรกิจกลายเป็นเรื่องสนุกแล้วแต่ก่อนเนี่ยกลัวกลัวล้มเหลวทําแต่เรื่องที่มันชัว์ๆแล้วเรื่องที่มันโชว์ๆจริงมันน่าเบื่อนะแต่พอทําอะไรที่มันกล้าเสี่ยงว่ามันสนุกนะอันนี้เขาก็เรียนรู้จากความล้มเหลวว่าจริงๆแล้วความล้มเหลวไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เขาคิด คนที่ไม่เคยตกเครื่องบินนะัจะกลัวการตกเครื่องบินมากเลยนะแต่พอเรได้ตกเครื่องบินสักครั้งหนึ่งแล้วนะ <c oughs> คุณจะรู้สึกสบา ย, ยมันไม่ได้เลวแรงที่คิดเลยนะอาตมาเคยเป็นนะแถมไปตกเครื่องบินเมือง น, นอกด้วยนะโอ้คนที่ตรงเวลายอย่าอตมานี่นะตกเครื่องบินนี่มันเรื่องใหญ่โตมากแถมไปตกเครื่องบินเมือง น, นอกที่นิวยอร์กนะเก็ไม่มีอะไรเลยนะไม่เลวร้ายอะไรเล ย, เลย เพนะียงแค่ปรับปรับเวลานิดหน่อยปรับโครงกัดปรับกิจกรรมนิดหน่อยตอนงจานั้นตกมาอีกอกี่ครั้งก็เฉยแนละ้วเพราะรู้ว่ามันมีอะไรที่มันแย่กว่า น, นั้นเยอะนะ ม, มองบวกยังมีความหมายแง่หนึ่งนะแอาต่าจกตัวอย่างแล้วกันเมื่อเร็วๆนี้นมัมีบทสัมภาษณ์ทีละสินแดงดารู้จักไหมนะักฟุตบอลี เทอสินเนี่ยนะเขาดังเมื่อสองเดือนที่แล้วเพราะว่าสโมสรญี่ปุ่นซื้อตัวเข้าไปแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยนะเขาเคยไปเล่นที่สเปนดิวิชั่นหนึ่งนะดิวิชั่นหนึ่งของของสเปนเรลยลาลิก้าเล่นได้แค่ไม่กี่นัดก็เป็นตัวสำรองนะ แล้วก็เป็นตัวสำรองคือไม่ได้ลงเล่นตลอดฤดูกาลเลยก็มีคนถามเขาว่าเนี่ยคุณรู้สึกว่าการไปสเปนเนี่ยล้มเหลวไหมแกพูดดีกกบอกว่าไม่มีใครชอบความล้มเหลวหรอกแขกก็อยากได้ความสําเร็จแต่จะดูแค่ความสําเร็จและความล้มเหลวอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่โอเคนะเพราะว่าระหว่างทางนีมันสนุกแกบอกว่าตอนที่แกไปอยู่สเปนนะ แม้จะไม่ได้เล่นนะแต่ว่าได้ซ้อมมันก็สนุกนะนะแล้วก็ได้เจอคนอย่างเนมมาได้เจอคนอย่างโรงนันต์โอ้ตายแล้วเกิดใหม่ก็อาจจะไม่ได้เจอแบบนี้อีกแกบอกว่าเนี่ย้าจะล้มเห้วอีกอีกครั้งนะก็ยังอยากไปคือไปสเปนคือจะมองว่าถึงล้มเหลวก็จริงนะแต่ว่าประสบการณ์ในระหว่างนั้นเนี่ยนะช่วงอยู่สเป น, เนมันมีอะไรดีตรองเยอะแยะนะ คนบางคนเนี่ยเห็นแต่ความล้มเหลวแต่ไม่ได้มองว่าตัวเองได้อะไรบ้างในระหว่างนั้นอันนี้คล้ายๆกับคล้ายๆกับซิกโก้เลยนะซิกโก้เนี่ยเมื่อเกือบยีปีที่แล้วเนี่ยนะอังกฤษชาร์เตอร์สฟิลเนี่ยซื้อตัวเข้าไปชาร์ตอร์สฟิลที่มัก็ดิวิชั้นหน่นะอ่าไม่ใช่ฟรีเมลีหัวเป็นความฝันของซิกโก้เลยแล้วก็เป็นข่าวใหญ่ในเมืองไทยเมื่อ17 ปีก่อนคนไทยอยากจะเห็นนักฟุตบอลไทยได้เล่นนะลงสนามบอลอังกฤษแต่จนล้วจนลอดชิกโก้ก็ไม่เคยได้เล่นไม่เคยได้ลงสนามเป็นตัวสำรองตลอดนะชิกโก้เครียดมากพอจบฤดูกาลเขาก็เลือกสัญญากับเมืองไทยใครมาถามเขาเรื่องนี้เขาไม่อยากตอบเพราะสื่อเป็นความล้มเหลวเสียเวลา แต่แลก้กันไม่กี่ปีเนี่ยนะมีคนถามคนเรื่องนี่เขาเขายิ้มแล้วคนนี้บอกเบอกมันไม่มีอะไรเลยพี่ผมแค่มองไม่เห็นนะมองไม่เป็นจะบอกว่าไปอังกฤษครั้งนั้นมันได้มันมีแต่ได้กับได้นะได้บ้านได้รถได้ภาษาได้พัฒนาร่างกายนะได้เห็นมุมมองใหม่ๆได้เจอคนหลากหลายได้ไปเที่ยวยุโรปนะ ก็ได้สัมพัสหรือที่มีสีสันที่สุดในอังกฤษเสียงเดียวคือไม่ได้เล่นแต่ตอนนั้นแกจดจอยอยู่แต่ข้อเสียนะไม่ได้เล่นแกไม่ได้เห็นว่ามีข้อดีอะไรบ้างไม่เหมือนที่เราเสินเช่อสินเนี่ยนะเห็นข้อดีตั้งแต่แรกแล้วแต่ซิกโก้นี่ไม่เห็นมาเห็นหลัจากนั้นเนี่ยสองสามปีผ่านไป นี่พอกก็เห็นนะว่าโ อ, าเอา้เขาก็ได้เลยตังย้งเยอะแยนะไอ้ความทุกเนี่ยความเสียใจยเนี่ยมันหายไปเลยเหตุการณ์ยังเหมือนเดิมนนะ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแต่ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปเพราก็เปลี่ยนมุมมองนะไอ้การมองบวกเนี่ยมันช่วยนะฮะมันช่วยทําให้ไอ้สิ่งที่เราคิดว่ามันแย่แล้วมันกลับกลายเป็นดีได้เหตุการณ์ไม่ได้เปลี่ยนแต่ว่าเราเห็นข้อดี หลายสิ่งหลายอย่ากแล้ถ้าคุณลองมองบวชแบบนี้บ้างเนี่ยเวลามีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคุณจะไม่โมวแต่ว่าวุ่นกุ้มใจนะคุณจะสามารถรักษาใจเป็นปกติได้เวลาป่วยนะเวลาป่วยก็ใจก็เป็นปกติมีพี่หญิงคนหนึ่งนะเธอเป็นโรคธาลัสซีเมียตั้งแต่เล็ก ตั้งแต่เกิดเลยนะ่ะไทรอยด์นี่เป็นโรคที่ที่เกิดจากพันธุ ก, กรรมพ่อเป็นพาหะแม่เป็นพาหะแต่งงานกันปุ๊บเนี่ยมีลูกลูกเป็นเลยทันทีนะพ่อได้โครโมโซมสองตัวถ้าได้โครโมโซมแค่ตัวเดียวไม่เป็นไรหมอบอกว่าเนี่ยเธอจะอยู่ได้ไปถึงยี่สิบเมื่อเธอเติโตขึ้นเธอก็ตาโปรผอม แกลนนะกระดูกเปราะล้มเมื่อไหร่ก็ขาหักบ้างแขนหักแขนหักบ้างต้องใส่เสื่อแกตัวเธอใส่เฝื่อมางเกือบยี่สิบครั้งแนละ้วแต่อยู่ได้เกินยี่สิบสามสิบ ก, กว่าเพิ่งเสียชีวิตเมื่อสี่ห้าปีก็เกือบสี่สิบไอ้ช่วยเธอป่วยเนี่ยเธอมีความสุขนะเธอป่วยไม่ตลอดชีวิตแต่เธอมีความสุขเธอบอกว่าเนี่ยแม้เลือฉันจะเสียแม้เลือฉันจะไม่ดี แต่แสงก็ยัมีตามองเห็นสิ่งสวยงามนะมีจมูกดมกลิ่นหอมมีหูฟังเสียงไพเราะกินอะไรก็อร่อยเดินไปไหนมาไหนก็ยังได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วถ้าเธอเห็นแต่เลือดที่แย่นะเธอก็คงจะหมดอะไรแต่อยากกับชีวิตแต่เธอเลือกที่จะไม่มองไม่มองเลือกที่ไม่ดีแต่ มองเห็นสิ่งที่ดีคืออะไรตาหูจมูกปากแขนและมือทั้งสองข้างเธอก็อยู่งมีความสุขได้กายเธอไม่ดีนะแต่ใจเธอมีความสุขอันนี้คล้ายกับสาวคนหนึ่งนะสาวไต้หวันชื่อหวังเหมยเหลียนเธอเนี่ยเมื่อคลอดออกมาเนี่ยหมอพูว่าเธอเป็นโรคพิการ ทางสมองที่จริงหมอจะพบก็แต่ก่อนที่เธอเคลอดแล้วพรเดี๋ยวนี้เราสามารถจะค้นพบความผิดปกติทางสมองตั้งแต่ยังอยู่ในท้องแต่ก็โชคดีที่แม่ให้เธอเคลอดออกมาเธอพิการสมองเนี่ยนะสมองพิการเธอพูดไม่ได้และเธอเดินเหยืไม่ได้นะโอแม่ที่คลอดลูกที่พิการแบบนี้บางทีก็หนักใจนะ แต่ว่าเธอก็เป็นคนที่มีความเพียรพยายามมากเธอสามารถจะเรียนจบปริญญาเอกมหาวิทยาลัยที่มีชื่อของอเมริกา UCLA นะอาตมาเนี่ยอวัวยวครบไซสสองยังมีปัญญาเรียนจบเอกนะไม่ต้องพูดถึงหมหาวิทยาลัยอเมริกานะเมืองไทยอาจจะไม่จบก็ได้แต่หวังไว้เลยนในจบนะถ้าเธอได้เชิญให้ไปพูดไปบรรยายตามที่ต่าง เพื่อเป็นแรงบรรณาแจให้คนเธอพูดไม่ได้เธอเดินไม่ได้นะแต่เธอเป็นคนที่มีความสุขมีควานึงเธอได้เชิญให้ไปบรรยายในโรงเรียนมธัธยมแห่งหนึ่งเธอบรรยายจบเธอบรรยายด้วยการเขียนใส่กระดานนะบรรยายจบก็มีเด็กคนนึงยกมือถามคุณเกิดมาพิการคุณมองตัวเองอย่างไรคุณรู้สึกกับตัวเองอย่างไร คำถามนี้เนี่ยมันเป็นคำถามที่ตรงมากนะห้องประชุมนีเงียบกริบเลยเพราะปกติเขาไม่ได้ถามคำถามตรงๆแบบนี้แต่วางมือเหลี่ยมนี่ก็ยิ้มนะเธอไม่มีทีท่าโกรธเธอหันไปที่กระดานแล้วก็เขียนฉันมองตัวอย่างไรแต่เธอเขียนเป็นข้อๆนะหนึ่งฉันเป็นคนน่ารักนะสองฉันมีแม่ที่รักฉันสามพระเจ้า ก, กรักฉันเธอเป็นคริสนะ ฉีันมีเรียวขาวที่สวยงามห้าชันมีแมวที่น่ารักหกชันเขียนหนังสือและ ว, วาดรูปได้แต่ข้อสุดท้ายซึ่งเป็นเป็นบทสรุปของทั้งหมดและเป็นเคลนรักที่ทําให้เธอเนี่ยเป็นคนมีความสุขและสําเร็จฉันมองเห็นแต่สิ่งที่ฉันมีไม่มองสิ่งที่ฉันไม่มีเธอไม่มีอะไรบ้างไม่มีความสามารถในการพูด เธอไม่มีแขนขาเหมือนคนทั่วไปเธอไม่สนใจเธอสนใจถึงเธอมีเช่นอะไรบ้างเช่นสติปัญญาหัวสมองที่ทัดเทียมเท่าคนอื่นและอีกหลายอย่างอันนี้เรามองบวกนะมองบวกคือไม่ได้มองแต่สิ่งที่ลบไม่มองแต่ข้อเสียไม่มองแต่สิ่งที่ไม่มีมองบวกคือมองว่า ฉันมีอะไรบ้างที่ดีๆฉันได้อะไรมาบ้างอย่างที่ทีรศิลป์หรือว่าซิกโก้ได้มองเห็นเนีย่ยถ้าเกิดว่ามองันเนี้ยนะก็ทําให้เธอมีความสุขและทําให้เธอเนี่ยไม่ได้รู้สึกท้อท้ อ, อ, อ, อชีวิตคนร้อนเนี่ยไม่ว่าจะเจออะไรแค่ไหนนะมันก็สุขได้นะถ้าหากว่ามองเป็นนะโดยเพรา ะ, อะมองบวก มีเด็อีกคนหนึ่งซึ่งอาตมาคิดว่าหนักกว่าทั้งหมดที่พูดมาเธอชื่อแพลวเธอเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ปราตาศาสตตอนอายุประมาณสักสิบตนต้นเริ่มที่ขาก่อนขาไม่มีแรงจะขึ้นไปเรียนหนังสือชั้นสองเนี่ยต้องให้พ่อเนี่ยต้องขี่คอพ่อขึ้นไปไอ้กล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยหมายความว่ากล้ามเนื้อในร่างกายมันจะเริ่ม ไม่ทำงานทีละส่วนทีละส่วนเริ่มที่ขาก่อนแล้วก็เริ่มที่แขนแล้วไปที่แขนตอนหลังเนี่ยนะพ่อเนี่ยไม่มีแรงอุ้มไม่มีแรงพาเธอขึ้นข้างบนแนละ้วต้องไปเรียนต้องอยู่บ้านเธอเริ่มเดินไม่ได้แขนก็ไม่ไหวการหายใจมีปัญหาเพราะกล้ามเนื้อมันต้องเพราะปอดมันต้องใช้กล้ามเนื้อด้วย เธอหายใจประมาณสิบเปอร์เซ็นคนทั่วไปและโลคที่มีทางรักษาหายนะถ้าเป็นไปนานๆเนี่ยนะกืนอาหารก็ไม่ได้ต่อไปก็จะพูดไม่ได้กระพริบตาก็จะไม่ได้เพราะทุกอย่างใช้กล้ามเนื้อหมดเธอเหมือนคนรอนอนรอวันตายหมอบอกว่าเธออยู่ได้ไม่เกินยี่สิบนะเธอก็อยู่ได้จนสามสิบละทีแรกเนี่ยเธอทุกมากเลย วันหนึ่งป้าอ่านีิยายเธอฟังเธอเกิดแรงบันดาลใจอยากเขียนนิยายเกิดไฟขึ้นมาแนละ้วเธอเขียนเป็นคนทั่วไปไม่ได้คีย์พิมพ์ทางคอมพิวเตอร์ก็ไม่ได้เธอก็ใช้มือถือนี่แหละนะเวลาเธอคีย์นะเธอต้องใช้มือเท้นิ้วทคนิคเนี่ยนะกดปั้นทีละตัวทีละตัวทีละตั ว, ตวใส่มือถือนะโอ้กว่าจะได้ คำไกด์ได้ประโยชน์นี่ใช้เวลาแต่เธอเขียนเป็นเล่มแล้วนิยายเธอขายได้เธอเกิดลังใจเขียนนิยายอีกเล่มแล้วเล่มเล่าตรงทั่งวีร์ลาเนี่ยก็เขียนได้สิบสีเล่มไม่ได้เขียนเปล่าๆนะไปขายลิขสิทธิ์นะได้ได้เงินครร่าลิขสิทธิ์มาก็มาเลี้ยงดูจุนเจียทางบ้างเธอกลายเป็นว่าจากคนที่ เป็นพระรังครอบครัวนะกลายเป็นเสาหลักของบ้านไปแนละ้วเพราะพ่อเธอตายแม่เธอตกงานก็ได้เงินจากนิยามเธอเนี่แหละมาเลี้ยงนะัง่าหายขรชอบ้านส่งเสียน้องให้เรียนต่อคนที่นอนนะแบบเนี่ยนอนแบบเกียร์เขเยี่ยมไม่ได้เนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านเธอพูดไม่น่าสนใจนะ ซึ่งเราจะาเชื่ว่ามันเป็นเหตุที่ทําให้เธอในสามารถที่จะอยู่กับโลกได้ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ไอ้หายนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเขอบอกว่าความทุกเนี่ยนะมันให้อะไรกับเรามากกว่าความสุขความสุขเนี่ยทําให้ใจฟุ้งและล่องลอยส่วนความทุกมันทําให้เราได้อยู่กับตัวเอง และเข้าใจความเป็นจริงและอยู่กับโลกได้ซึ่งมันดีกว่าการฟุ้งและล่องลอยเยอะเพราะเธอทุกข์นะแต่เธอเห็นประโยชน์ของความทุกข์เธอได้อยู่กับความทุกข์ได้เพราะเห็นว่าความทุกข์มันทําให้เธออยู่กับตัวเองทําให้เธอได้อยู่กับความเป็นจริงทําให้เธอเข้าใจโลกรับมือกับโลกได้ดีขึ้นอันนี้มันใชี้อะไรนะว่าคนเราเนี่ยนะสุขหรือทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ที่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา แต่มาอยู่ที่ว่าใจเราเป็นยังไงเรารู้สึกกับสิ่งต่างๆอย่างไรเราวางใจอย่างไรเช่นมีสติรู้จักมองบวกคนเราเนี่ยนะอย่างที่คนโบราณพูดน่ยครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากนะคุณได้โชคได้ลาบมาคุณวางใจไม่เป็นคุณก็ทุกข์อย่างที่นตมาเราตัวอย่างได้ของถูกแต่ได้เห็นคนหนึ่งก็ซื้อถูกกับเร า, าคุณก็ทุกข์คุณได้เยอะ ได้โชคได้ลากแต่เห็นคนอื่นก็ได้มากคุณคุณก็ทุกนี่เพราวางใจไม่เป็นแต่ถ้าวางใจเป็นเนี่ยเจออะไรใจก็สุขได้เจอความว่าบุนภายนอกใจก็สงบได้ผู้ยานันคือคุณสามารถพบสุขและความสงบได้ที่ใจนะอัตมามาก็พูดพอสมควรกับเวลาแวนะก็ขอยุติคาบรรยายกัน